วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11กันยายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกท่านได้ตั้งใจกันมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็น การเสริมความเป็นศิลิมงคลให้แก่ชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสอนไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวัณมเอตัมมังกลมุตตะมังการได้ยินได้ฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็คือ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเช่นตามวันพระต่างๆหรือถ้าวันพระไม่สะดวกเพราะเป็นวันทำงานก็ใช้วันหยุดทำงานมาเป็นวันฟังธรรมแทนก็ได้เช่นถ้าหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เป็นวันฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ รถยนต์ที่เราวิ่งใช้อยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราไม่คอยเติมน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะหมดถังพอ น, น้ำมันหมดแล้วมันก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ฉันใดใจของพวกเราก็ต้องพลังต้องการพลังของถําเป็นการขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราให้มีแต่ความสุขความเจริญเราจึงต้องคอยเติมธรรมะอยู่เรื่อย เพื่อที่ใจของเราจะได้มีพลังขับเคลื่อนใจของพวกเราให้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นการฟังธรรมนี้ยิ่งฟังมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเหมือนกับการเติมน้ำมันนี้ ถ้าเราคอยเติมให้มันเต็มถังอยู่เรื่อยๆได้ยิ่งดีวันนี้ขับรถไปน้ำมันพ่องพรุ่งนี้ก็เติมเลยก็ได้ไม่ต้องรอถึงอาทิตย์หน้าคอยเติมการฟังเทศฟังธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถฟังได้ทุกวันหรือฟันวันละหลายหลายรอบได้ก็ยิ่งเป็นคุณยิ่งเป็นประโยชน์เพราะธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับจิตใจเพียงอย่างเดียวไม่มีโทษไม่มีภัยต่อจิตใจแต่อย่างไรฟังธรรมแล้วจะได้ประโยชน์หลายประการด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าการฟังธรรมนี้มีประโยชน์ถึงห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าได้เคยได้ยินพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจ ะ, จะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง คือเป็นความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คือประโยชน์ที่ผู้ฟังทาจะได้รับในแต่ละครั้งแต่การจะฟังเพื่อให้ได้รับประโยชน์เหล่านี้นั้นจาเป็นต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะว่าถ้ากายวาจาใจไม่สงบ การฟังธรรมนี้จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรทำอย่างไรถึงจะฟังแบบกายวาจาใจที่สงบก็คือความสงบทางกายเวลาฟังธรรมก็คือร่างกายต้องอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรทางร่างกายเพราะถ้ามีการกระทำทางร่างกาย ใก็จะต้องไปคอยดูการกระทาอยู่เรื่อยๆการฟังธรรมก็เลยจะขาดตอนเพราะจะต้องส่งใจไปที่สองแห่งด้วยกันไปที่การเคลื่อนไหวของร่างกายและไปที่การงทงธรรมมันก็จะได้ไม่เต็มร้อยได้ห้าสิบห้าสิบครึ่งหนึ่งก็ต้องไปดูการเคลื่อนไหวของทางร่างกายอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องมาดู มาฟังเรื่องของธรรมที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ถ้าอยากจะได้ฟังธรรมร้อยเปอร์เซนเลยก็ต้องไม่ทำอะไรในขณะที่ฟังธรรมอันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือห้ามสำหรับท่านที่ชอบฟังธรรมไปในขณะที่ทำงานไปด้วยเพียงแต่จะบอกให้รู้ว่ามันไม่ได้ไประโยชน์เต็มร้อยเท่านั้นเองเพราะว่า ทำเวลาทำการใจเราก็ต้องอยู่กับงานและเวลาเราฟังธรรมเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่การฟังธรรมมันก็เลยทำให้ใจต้องกลับไปกลับมาฟังธรรมบ้างทำงานบ้างสลับกันไปอันนี้สองคือความสงบของใจก็จะไม่เกิดเพราะใจไม่นิ่งนั่นเองใจต้องขับขยับไปขยับมาขยับไปกับการทำงานของร่างกาย แล้วก็ขยับกลับมากับการฟังธรรมการจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสจากการฟังธรรมนี้ก็จะเป็นไปได้ยากกว่าการฟังธรรมโดยไม่มีการกระทาอะไรเลยอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังสำหรับท่านที่ยังชอบทำงานแล้วฟังธรรมไปเพราะคิดว่าดีกับการฟังเพลงดีกับการฟังเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ พอฟังแล้วมันไม่เป็นสาระประโยชน์นะทำให้จิตใจวุ่นวายได้อันนี้ก็ฟังไปแต่ถ้ามีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆแบบในขณะนี้นั่งแล้วก็ถ้าหลับตาได้ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องมีอะไรมารบกวนใจที่จะเข้ามาทางสายตาหลับตาฟังธรรมไปใจก็จะได้รับธรรมได้ร้อยเปอร์เซ็น นี่คือเหตุผลว่าทาไมเราจะต้องฟังแบบสงบกายกายต้องนั่งเฉยๆดีที่สุดในการฟังธรรมแล้วก็ต้องสงบวาจาคือไม่ควรพูดคุยกันเพราะการพูดคุยกันก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวทางร่างกายเพราะเราจะต้องมาพูดมาคิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังพูดแล้วเราก็ ฟังกลับมากับการฟังธรรมใจก็ต้องสลับไปสลับมาไม่ได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหรือบางทีไม่ได้ฟังเลยก็ได้หรือฟังแบบเข้าหูซ้ายเข้าหูขวาไปก็ได้เราฟังแล้วแต่ไม่รู้เรื่องว่ากําลังฟังอะไรพ่อเมื่อแต่ไปคุยกับคนคนนั้นคนนี้ถ้าเราอยากจะรับธรรม กระแสแห่งทํามให้เข้าสู่ใจของเราได้ร้อยเปอร์เซ็ต์เราก็ต้องไม่พูดคุยกันต้องนั่งเฉยๆแล้วตั้งใจฟังและข้อที่สามคือความสงบทางใจสงบกายแล้วสงบวาจาแล้วเราก็ต้องมาสงบใจด้วย <c oughs> คือเราต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ควบคุมใจให้อยู่กับการฟังธรรมเพียง อ, อย่างเดียวถ้าใจแวบไปคิดอะไรต้องมีสติดึงกลับมากับการฟังธรรมไปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วบางทีถูกความคิดดึงไปฟังธรรมแต่ก็ได้ยินแต่เสียงธรรมแต่ใจไปอยู่กับการคิดเรื่องราวต่างๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เรื่องของธรรมที่เข้ามาในใจก็จะ ไม่รู้เรื่องว่าก็เป็นเรื่องอะไรบ้างก็จะไม่ได้รับคุณได้ประโยชน์ฉะงนั้นถ้าอยากจะได้รับคุณได้รับประโยชน์นจากการฟังธรรมเราจาเป็นที่จะต้องสงบกายสงบวาจาและสงบใจเช่นตอนนี้อย่าไปคิดเรื่องอะไรให้ฟังอยู่กับเสียงธรรมที่มาปรากฏขึ้นในใจเท่านั้นให้มีสติอยู่กับเสียงธรรม แล้วก็ถ้าเราสามารถคิดตามได้พิจารณาตามได้ว่าเหตุนี้เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดผลอย่างนี้เกิดขึ้นมาเพราะธรรมะเป็นเรื่องของการแสดงเหตุแสดงผลที่มีความต่อเนื่องกันเป็นเหตุที่ทำให้เราได้รับอนิสงส์จากการฟังธรรมก็คือการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าเราสามารถฟังแล้วคิดตามได้ เราก็จะเข้าใจแลวเราก็จะไม่ลืมในสิ่งที่เราฟังไม่จาเป็นที่จะต้องจดบันทึกไว้ใจของเราเนี่ยจะบันทึกสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะไม่มันก็จะไม่ติดอยู่ในใจมันจะจำไม่ได้ต่อไปแต่ก็ไม่เป็นไรวราการฟังธรรมในแต่ละครั้งนี้ เราจะไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฟังได้เพราะธรรมนี้มีหลายระดับด้วยกันถ้าเราฟังระดับธรรมที่สูงกว่าที่สติปัญญาของเราจะเข้าถึงได้เราก็ยังอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราฟังธรรม ท, ที่ในระดับของสติปัญญาของเราที่เราสามารถคิดตามได้เราก็จะเกิดความเข้าใจ แลเราก็จะไม่ลืมเช่นเราคงจะไม่ลืม ว, วิธีการฟังธรรมที่ถูกต้องว่าต้องฟังแบบไหนฟังแบบกายวาจาใจที่สงบเป็นต้นอันนี้เราก็จะจำได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งจดนั่งอะไรเขียนไว้การฟังธรรมตามทางปฏิบัตินี้จึงไม่นิยมการที่จะนั่งเอาปากกาดินสอมาเขียน ในขณะที่ฟังไปด้วยเพราะว่าถ้ามีการเขียนจดตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมันก็เป็นการกระทาทางกายไปเมื่อมีการกระทาทางกายการฟังธรรมก็จะไม่ได้เต็มสมบูรณ์ไม่ได้เต็มร้อยแล้วเราจะไม่บันทึกกันเวลาฟังธรรมด้วยการจดด้วยการเขียนอะไรตา่างอันนี้ไม่จำเป็น ฟังไปฟังไปแล้วตั้งใจฟังใจให้จดจ่ออยู่กับการฟังธรรมแล้วถ้าเราพิจารณาตามได้เข้าใจหลักธรรมเราก็จะได้ความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าวิธีการฟังธรรมที่ถูกต้องนี้ฟังอย่างไรก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์เพราะว่าฟังแล้วถ้าเรามีความเข้าอกเข้าใจเราก็จะสามารถ กำจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้แต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่สามารถที่จะคิดตามได้เนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้คิดมาก่อนพอฟังครั้งแรกยังคิดตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรขอให้เราฟังไปตามเสียงที่เราได้ยินได้ฟังไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่น ให้อยู่กับเสียงธรรมที่เราฟังอยู่คิดตามได้ก็ตามตามไม่ได้ก็ฟังเสียงไปเพียงอย่างเดียวเสียงธรรมนี่ก็จะเป็นอารมณ์ของสมาธิขึ้นบางดาถ้าเราฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็เหมือนกับการเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปภายในใจ แต่การังธรรมนี้มันดีตรงที่เราไม่ต้องพุโทโธเราไม่ต้องสวดเราใช้เสียงธรรมเป็นตัวอารมณ์แทนมันง่ายกว่าง่ายกว่าการที่เราจะต้องมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธเองหรือสวดมนต์ไปเองเพราะถ้าเราไม่เคยบริกรรมมาก่อนหรือสวดมาก่อนมากๆเราจะรู้สึกจะลำบากยากต่อการบริกรรมยากต่อการสวด เราก็อาศัยการฟังธรรมนี้เป็นอารมณ์ปลอบใจให้เข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่ง mm hmm. บางท่านนี้ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆนี้บางทีชอบฟังเทศฟังธรรมกันเพราะว่าฟังแล้วจะทำให้ใจสงบนิ่งได้ mm hmm. ตามลำพังถ้าจะให้นั่งเฉยๆคนเดียว mm hmm. ดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธเองนี้จะนั่งไม่ได้นาน นั่งได้หนาทีส0บนาทีใจก็หมดกำลังแล้วสติหมดกำลังหมดกำลังที่จะบริกรรมพุทธโธหมดกำลังที่จะสวดหรือหมดกำลังที่จะดูลมหายใจเข้าออกพอสติหมดกำลังใจก็จะอยากจะลุกขึ้นมาแต่ถ้าเราอาศัยการฟังธรรมนี้มันง่ายกว่าการที่เราจะต้องทำเอง การที่เราจะต้องสวดบนเองบริกรรมพุทธโธเองหรือดูลมหายใจเข้าออกเองนี้เราก็ไม่ต้องทำเราใช้เสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์แทนถ้าฟังแล้วคิดตามได้ก็คิดตามไปมก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าคิดตามไม่ได้แต่เกาะติดอยู่กับเสียงให้เป็นอารมณ์ของใจ ใจก็จะได้ความสงบเะฉะนั้นการฟังธรรมนี้ก็อาจจะได้สองแนวด้วยกันแนวของความสงบกับแนวของของปัญญาคือความรู้ความเข้าใจจะได้แนวไหนก็ขึ้นอยู่กับธรรมที่เราฟังอยู่ว่าเป็นธรรมที่เราสามารถพิจารณาตามได้หรือไม่มถ้าพิจารณาตามไม่ได้ก็ใช้เป็นอารมณ์กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบก็ได้ ถ้าใช้พิจารณาตามได้ก็จะได้ทั้งปัญญาและได้ความสงบด้วยเพราะเวลาเราเข้าใจอะไรแล้วจิตใจเราก็จะเย็นจะสงบไม่ไม่ลังเลสงสัยเครือบแคงจะไม่มีอะไรเครือบแคงใจใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสงบได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะพึงพึงจะรับได้จากการฟังเทศฟังธรรม จะทาให้การปฏิบัติของเรานี้ก้าวหน้าต่อไปได้เพราะการปฏิบัตินี้จะก้าวหน้าได้นี้ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนถ้าไม่รู้จักวิธีแล้วไปปฏิบัติก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้และบางครั้งก็เกิดจะทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างที่เราคงจะเคยได้ยินได้ฟังว่าบางคนปฏิบัติทำไปแล้ว กลายเป็นคนเสียสติไปก็มีลักษณะแบบนี้มักจะเกิดจากคนที่ไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนว่าจะต้องปฏิบัติอะไรมาัางคิดว่านั่งหลับตาแล้วก็ดูใจไปแล้วใจก็จะสงบใจก็จะเห็นหนูน่นเห็นนี่บรรลุนั่นบรรุนี่นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งหลับตา เพราะว่าอันนี้เป็นเพียงกิริยาทางร่างกายเท่านั้นตัวที่สำคัญของการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดผลขึ้นมานี้อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจที่นิ่งสงบหรือไม่นิ่งสงบเนการนั่งสมาธินี้เป้าหมายใหญ่ที่สุดของการนั่งนี้ก็เพื่อให้ใจนิ่งสงบเนไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องการเห็นสวรรค์ไม่ต้องการเห็นนรกไม่ต้องการ เ, าเห็นผูดผีปีศาจไม่ต้องการเห็นเทวดาไม่ต้องการารเลือกชาติได้อะไรต่างๆเหลนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการฝึกสมาธิของการนั่งสมาธิเป้าหมายของการนั่งสมาธิคือให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้นิ่งสงบเป็นอุเบกขา สักแต่ว่ารู้มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิถ้าเราไม่ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าเรานั่งไปเพื่ออะไรพอได้ยินคนนั้นเขาบอกว่านั่งเพื่อให้ระลึกชาติได้นั่งเพื่อให้เห็นแสง นั่งเพื่อให้เห็นสวรรค์นั่งเพื่อให้เห็นนรกเห็นอะไรต่างๆ่างบางคนก็ไปถึงกับนั่งให้เห็นเลขเห็นเบอร์อะไรต่างๆขึ้นมาหรือนั่งเพื่อให้ชีวิตเจรญนุ่งเรืองให้ร่ำรวยมากขึ้นให้มีเจริญในคราในาบยศสารเสริญสุขนีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดทางนั้นเป็นผลที่เกิดจากการไม่ได้ศึกษา พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนำไปปฏิบัติกัน mm hmm. พอนั่งแล้วไม่ได้เกิดผลตามที่คิดก็เลย mm hmm. เกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย mm hmm. แล้วก็อาจจะเลิกทำไปก็ได้หรือถ้านั่งแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจ mm hmm. ก็ไปเหมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา mm hmm. แล้วถ้าไปเชื่ออย่างโฮบ mm hmm. โฮบปักดินเนีย ก็อาจจะกลายเป็นคนเสียสติไปก็ได้อันนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่รู้จักวิธีของการนั่งสมาธิที่ถูกต้องว่าต้องนั่งอย่างไรและเพื่ออะไรการนั่งสมาธิที่ถูกต้องนี้นั่งเพื่อให้จิตสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ความคิดปุ่งแต่งหยุดทางานชั่วคราวมีแต่ความสงบเย็น ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้เราต้องการหาความสุขในรูปแบบใหม่เพราะว่าความสุขที่เราหากันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขที่เป็นเป็นทุกข์เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดา เวลาเราได้ความสุขมาเราก็ดีใจกันมีความสุขกันพอสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันหมดไปความสุขที่เราได้มันก็จะหายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความเสียใจความทุกข์ใจนี่คือลักษณะของความสุขที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้คือการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่เราเสิททางตาหูจมูกกิ้งกายกันความสุขเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่เป็นอนิจจังคือไม่เทีย่ยงไม่ถาวรเป็นความสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรเปลว่นไปมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับจเจริญแล้วก็เสื่อมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นอนัตตา คือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครครวบคุมบังคับได้เพราะเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับฝนตกแดดออกเป็นต้นเป็นอนัตตาราภยศสารสนสุขนี้เป็นอนัตตาแต่เราไปคิดว่าเป็นของที่เราจะจับมาไว้ในกํามือของเราได้สามารถครอบครองและควบคุมให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอด พอมันไม่เป็นมันก็เลยทําให้เราต้องทุกทรมานใจกันทุกวันนี้ที่พวกเราทุกกันนี้ก็ไม่ได้ทุกกับอะไรหรอกกระทุ ก, กับเรื่องราบยศสารเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองและก็จะทุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายต่อให้เราได้เงินได้สมบัติมากองเท่าภูเขามันก็ยังจะต้องทุกกับสมบัติกองนั้นอยู่ ต่อให้เราได้เป็นใหญ่เป็นโตถึงระดับนายกหรือประธานาธิบดีก็ยังจะต้องทุกกับการเป็นเหล่านั้นอยู่เพราะความเป็นนั้นมันไม่ได้เป็นไปได้ตลอดนั่นเองสมบัติข้าของเงินทองก็ไม่สามารถยึดเก็บเอาไว้เป็นของตนได้ตลอดถ้าไม่สูญหายไปก่อนตายมันก็ต้องหมดไปตอนที่เราตายเพราะร่างกายมันในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดี พอตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราอีกต่อไปขณะที่อยู่บางทีมันก็ไปก่อนที่เราตาย<ม>ที่เราทุกข์กันก็เพราะว่ามันมักจะไปก่อนที่เราตายกันเ<ม>งินทางที่เรามีอยู่วันดีคืนดีมันก็อาจจะหายไปหมดก็ได้<ม>ตำแหน่งที่เราค่อยมีค่อยเป็นก็อาจจะถูกถูกปดไปก็ได้ ความสรรเสริญต่างๆที่เราเคยได้รับก็อาจจะกลายเป็นความนินทาก็ได้ความสุขที่เราเคยได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ได้เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปนี่คือสาเหตุของความทุกข์ของพวกเราที่มีอยู่กันทุกวันนี้เราทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ ไม่ว่าเราจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทางราบยศสารเสร์สุขขนาดไหนก็ตามเราก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เพราะเรามีความวิตกกังวลกับสิ่งที่เราได้มีได้มาเพราะเราหวงเราลักเราห่วงเราไม่อยากจะสูญเสียแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนมันอาจจะจากเราไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ มันจึงสร้างความทุกข์ให้กับเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเรามีความสุขกันแต่ลึกๆภายในใจของเรานี้ใจของเรามีความวิตกกังวลตลอดเวลาเพราะเราอยู่บนโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเราอาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงแ ท, แท้แน่นอนมาให้ความสุขกับเราเราก็เลยไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นความสุขที่มั่นคงที่เรามั่นใจ ที่เราสบายใจด้วยไม่เหมือนกับความสุขที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหากันคือให้เรามาหาความสุขภายในใจของเราดีกว่าเพราะมันเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าที่เที่ยงแท้แน่นอนที่เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้เป็นกับเป็นของเราไปได้ตลอดเวลานี่แหละคือเป้าหมายของการ ฝึกสมาธินั่งสมาธิเพื่อให้เราได้เข้าถึงความสุขอันเลื่อันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนพวกเราไม่รู้หรอกว่าเรามีสมบัติอันล้ำค่าอยู่ในตัวของเราเองเราเพราะความไม่รู้หรือเพราะความหลงทำให้เราไปคิดว่าความสุขนี้อยู่ที่ ท, ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอยู่ที่สินค้าแบรนด์เนมต่างๆอยู่ที่การซื้อของ อยู่ที่การมีเงินมีทางไว้ซื้อของไว้กินไว้ดื่ไมไว้เที่ยวไว้ทําอะไรกันต่างๆอันนี้เป็นความหลงขาดขาดปัญญาขาดสัมมาทิฏฐิเพราะขาดการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองถ้ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วจะได้เรียนรู้ว่าสุขที่เรามีการนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตา มันไม่เที่ยงมันเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาบางเวลาเราก็อาจจะควบคุมได้บังคับได้บางเวลาเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้พอเราควบคุมบังคับไม่ได้เวลามันจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกัน mm hmm. แต่ความสุขที่มีอยู่ในตัวของเรานี่ นี่เป็นของที่เราควบคุมได้บังคับได้รักษาได้ไม่มีใครจะมาสามารถแย่งจากเราไปได้มสมบัติภายนอกคนอื่นยังมาแย่งจากไปได้<ม>ขโมยยังขึ้นบ้านได้<ม>ชอบโกงได้มีเงินในธนาคารก็อาจจะถูกเขาหลอกไปไปได้ถ้าเราไม่ฉลาดถ้าเอาความถ้าเขาเอา เอาเอาความโลภมามาล่อใจเรา<ม>ว่าเอาเงินไปลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะได้ผลตอบแทนมาอย่างมหาศาลพอไปเชื่อเขาก็ถูกเขาหลอกเอาเงินไปโดยไม่รู้สึกตัว<ม>แต่วความสุขภายในใจนี้ไม่มีใครหลอกไปได้มมไม่ไม่ต้องมีพาสเวิร์ดไม่ต้องมียูเซอร์เนมไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครจะแฮกเข้ามาในใจของเรา แล้วขโมยความสุขที่มีอยู่ในใจของเราไปได้มันเป็นของเราโดยแท้จริงเนี่ยพวกเราทุกคนไม่รู้หรอกว่าเรามีสมบัติอันล้าค่าอยู่ในอยู่ในตัวของเราเองมีความสุขอันล้าค่าความสุขอันยิ่งใหญ่อยู่ในใจของพวกเราเองทุกคนพวกเราโชคถือว่าเป็นพวกโชคดีที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะสอนผู้ที่จะบอกเราให้รู้ว่าเรามีสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้อยู่ในใจของพวกเราทุกคนทำไมพวกเราไม่เข้ามาหาความสุขกันนี้กันทำไมพวกเรากลับชอบไปหาความสุขที่กลายเป็นความทุกข์ความสุขที่มันจะ กัดเราในภายหลังความสุขทางโลกทางราบยศสารเสินสุขนี่มันเป็นความเป็นเหมือนกับงูพิษเนี่ยเราไปเล่นกับมันเดี๋ยวก็ถูกปันกัดแต่ถ้าความสุขของทางจิตใจนี้เป็นความสุขที่ปลอดภัยไม่มีทุกข์เพียงแต่ว่ามันยากต่อการเข้าถึงนั่นเองเบื้องต้นก็ยากยากจากการที่ไม่รู้มาก่อน พวเราทุกคนเกิดมานี้ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่รู้ว่าเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราพ่อแม่เราก็ไม่รู้พี่น้องญาตพี่น้องปู่ย่าตายายของเราก็ไม่รู้กันเกิดมาก็มีแต่สอนให้พวกเราไปทํางานกันไปหาเงินหาทองกันไปหาความสุขจากราบยศจรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสผุทธพระกัน ไม่มีใครสอนให้พวกเราเข้ามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบเลยถ้าเราไม่ได้ฟังเทศน์กรรมธรรมเราจะไม่รู้ถึงแม้อาจจะเป็นชาวพุทธเราก็ยังอาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปก็ได้เพราะถ้าเราเป็นชาวพุทธแบบไม่ศึกษาเราเป็นชาวพุทธแบบทําตามธรรมเนียมเราก็จะรู้จากวิธีการทําบุญเท่านั้นเอง ทำบุญเป็นชาวพุทธก็ต้องทำบุญใส่บาตรถวายาถวายผ้ากถินถวายผ้า ป, ปา่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างกุฏิอะไรต่างๆไปเราก็จะรู้จักเรื่องราวเหล่านี้ทั้งถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่รู้ว่าเขาบวชกันทำไมทำไมถึงมาบวชกันทำไมต้องไปถือศีลกันถือศีลทำไมต้องนุ่งขาวห่มขาวทำไมต้องไปปีกวิเวกอยู่ตันตามลำพังคนเดียวเราจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆครั้งแรกอาจจะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้เพราะธรรมะนี้มีหลายเรื่องหลายราวด้วยกันขึ้นอยู่กับผู้สแสดง ว่าจะเอาอะไรมาสแสดงในขณะนั้นเพราะว่าบางทีมันก็มีเรื่องอื่นที่ต้องสแสดงต้องสอนต้องบอกด้วยเช่นวันนี้ก่อนที่จะมาเข้าถึงเรื่องนี้ได้ก็ต้องพูดถึงเรื่องการฟังเทศฟังธรรมก่อนว่ามีคุณมีประโยชน์อย่างไรเมื่อรู้แล้วว่าฟังเทศฟังธรรมมีคุณประโยชน์อะไรก็จะได้รู้ว่าอะไรแหละที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราก็คือความสงบของใจเรานี่เองที่เกิดจากการนั่งสมาธิโดยวิธีที่ถูกต้องนั่งสมาธิแบบที่ไม่ให้เห็นอะไรไม่ให้รู้อะไรถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งก็ไม่ให้สนใจอย่าไปคิดว่าเป็นของดีเป็นอันขาดเพราะว่ามันเป็นของที่จะมาทำให้เราขาดสติเผลอสติ เราจะทําทให้เราหลงทางหรือทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้การนั่งสมาธิที่ถูกต้องนั้นจําเป็นจะนั่งต้องมีอะไรกํากับใจมีอะไรไว้ผูกใจเพราะใจเรานี้เปลี่ยนเหมือนกับเรือเรือที่อยู่ในแม่น้ําลําคลองถ้าเราต้องการให้เรือจอดนิ่งเฉยเราต้องผูกไว้กับท่าเรือถ้าไม่ผูกไว้กับท่าเรือปล่อยให้เรือ ลอยอยู่ในน้ำเดี๋ยวก็แสน้ำก็จะพาให้เรือลอยไปเรือก็จะไม่นิ่งถ้าเราต้องการให้เรือจอดนิ่งๆเราต้องมีอะไรผูกเรือไว้เช่นเดียวกับใจของเราถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งใจเป็นสมาธิใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธิใจของเรานี้จะต้องมีอะไรผูกไว้นั่งสมาธิก็ เป็นการนั่งเพื่อผูกใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจใจเรานี่กระแสของอารมณ์นี่เป็นเหมือนกับกระแสน้ำในแม่น้ำลำคลองมันจะไหลของมันไปเรื่อยๆในในใจของเรานี่มันจะมีอารมณ์ไหลมาอยู่เรื่อยๆมีเรื่องราวต่างๆให้เราคิดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไหลไปกับเรื่องราวต่างๆไหลไปกับอารมณ์ต่างๆ แล้วก็พาให้ใจเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆต่อไปพาให้เราไปหาความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงพาให้เราไปหาความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์แล้วก็ต้องมาปวดหัวกับการแก้ปัญหาต่างๆแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบเพราะเราไปแก้ที่ปลายเหตุเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของปัญหาก็คือการไม่รู้ว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหน <im> ความสุขที่ไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาอยู่ที่ตรงไหน <im> เราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าความสุขที่เราหากันนี้เป็นความสุขที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์พาให้เราไปสู่ปัญหาต่างๆอย่างไม่มีจบไม่มีสิ้นตายไปจากภพนี้ชาตินี้แล้วก็ยังไม่จบเพราะว่าความหลงมันก็ยังจะหลอกให้เราไปหาความสุขแบบที่เราเคยหากันต่อไป พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือหาความสุขที่เป็นปัญหาต่อไปอีกอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขภายนอกให้หันกลับเข้ามาหาความสุขภายใน าหาความสุขภายในด้วยการมาฝึกสตินั่งสมาธิกัน mm hmm. เช่นวันหยุดทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้แ mm hmm. ทนที่จะไปหาความสุขจากการไปไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปดูไปฟังภาพยนตร์หรืออะไรแหล่งบันเทิงต่างๆลองเปลี่ยนมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบ ถ้าเรายัางนั่งสมาธิไม่เป็นก็มาฟังเทศฟังธรรมไปก่อนมาหัด น, นั่งสมาธิแบบฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เพราะถ้าเรายัางไม่มีกับสติยังไม่มีกําลังมากพอนี้เราจะไม่สามารถนั่งตามลําพังได้นั่นแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรจะให้บริกรรมพุทโธก็บริกรรมไม่ออกเพราะไม่เคยทํามาก่อนจะให้ดูลมหายใจก็ดูยากเพราะลมมันเป็นสิ่งที่จัดยาก ตอนนั้นก็จะไม่ได้ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้สำหรับผู้ที่มีสติกำลังน้อยต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเครื่องช่วยได้อยู่แต่ก็ไม่หามายความว่าจะช่วยได้ทุกคนถ้าสติอ่อนมากเวลาฟังธรรมก็อาจจะไม่สามารถฟังได้ก็ได้เวลาฟังธรรมอาจจะฟังได้แค่เพียงแค่หนึ่งสองสาม นาทีแล้วก็ใจก็ลอยไปนะเพราะสติหมดกำลังที่จะฟังต่อหรือฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลยเกิดความเบื่อขึ้นมาไม่สนใจที่อยากจะฟังต่อก็ได้สำหรับผู้ที่มีสติอ่อนมากๆนี้จะจะยากต่อการที่จะมาฝึกสมาธิกันได้ดังนั้นถ้ายังมีสติที่อ่อนมากนี้ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาพยายามเจริญสติก่อน ก่อนที่จะมานั่งสมาธิกันวิธีที่เจริญสมาเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือให้เราเริ่มตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ใช้วิธีเจริญสติได้สองวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือใช้กรำบาิกรรมพุโทโธไปล อ, ลองทดลองดูลืมตาขึ้นมาปุ๊บเริ่มพุโทโธเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆ พุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทาําภารกิจที่เราต้องทําอาบน้นําล้างหน้าแปลงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวหรืออะไรต่างๆในขณะนั้นเราจะเลื่อสติได้อย่างสบาย mm hmm. จะใช้พุทธโธบริกรรมไปก็ได้หรือจะใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของน่างกายไปก็ได้เช่นน่างกายอยู่ในท่านอนก็รู้ว่ากําลังอยู่ในท่านอน กำลังลุกขึ้นมาก็ให้ดูว่าร่างกายกําลังลุกขึ้นมานั่งร่างกายกําลังยืนร่างกายกําลังเดินติดตามเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทุกที่ที่าบดก็ได้ร่างกายกําลังอับน้ําร่างกายกําลังแปรงฟันร่างกายกําลังหวีเผ้าหวีผมกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารกําลังทําอะไรต่างๆก็ให้เฝ้าดูร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ อันนี้ก็เป็นการเจริญสติฝึกสติหรือสร้างสติให้มีกำลังมากขึ้นถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆฝึกให้เป็นเป็นนิสัยแล้วต่อไปเราจะมีสติมากแล้วเวลานั่งสมาธิ น, นี้เราจะสามารถนั่งด้วยการบริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือนั่งด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องทาทั้งสองอย่างคบคู่กันก็ได้ คือไม่ต้องดูลมแล้วก็พุทเข้าโทออกไปดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโทด้วยก็ได้หรือพุทโทอย่างเดียวด้วยการไม่ดูลมก็ได้อันนี้แล้วแต่ความความถนัดของผู้ปฏิบัติทำได้ทั้งสามอย่างดูลมอย่างเดียวพุทโทอย่างเดียวหรือผสมกันดูลมแล้วก็พุทโทกํากับไปด้วยก็ได้ในขณะที่นั่งสมาธิ แต่เวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ให้ใช้คำบริกรรมอย่างเดียวไปหรือให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็อยู่การเดินกําลังอาบน้ํากําลังทํางานก็อยู่การทํางานอย่าให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนี่คือวิธีการฝึกสติเพื่อให้ใจเหล่านี้มี มีการควบคุมบังคับไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆนั่นเองเพื่อที่เราจะได้เอาสติที่เราได้ฝึกนี้มาใช้ในเวลาที่เรานั่งสมาธิเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็มีสติคอยกำกับให้ใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวบริกรรมพุโทโธพุธโทโธจะพุโทโธเร็วหรือพุโทโธช้าก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ภาวะ ถ้าใจไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านก็อาจจะพุโทโธแบบสบายสบายไปถ้าใจฟุ้งซ่านมากก็อาจจะพุโทโธให้เร็วขึ้นก็ได้อันนี้เราสามารถปรับความเร็วช้าของคำริกรรมพุโทโธได้หรือถ้าเราไม่ใช้พุโทโธเราชอบดูลมหายใจเข้าออแล้วก็กำหนดดูลมหายใจที่ปลายจมูกที่จุดที่ลมเข้าออกลมจะต้องเข้าออกที่ปลายจมูก ความสัมผัสของลมเราก็สามารถดูได้ที่ปลายจมูกนี้ตรงบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาเวลาลมเข้ามันจะกระทบกับบริเวณนั้นเวลาออกมันก็จะออกมันก็จะกระทบกับบริเวณนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกนั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการให้จิตเคลื่อนไหวเราให้ต้องการให้จิตนิ่งให้จ่ออยู่กับจุดเดียว อย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกแล้วอย่าย้ายฐานของการดูลมบางทีบางคนก็ย้ายจากปลายจมกูกมาดูที่กลาง อ, อกหรือมาดูที่หน้าผากหรือแล้วแต่ที่ไหนไม่ควรอย่า ก, กระทำควรให้อยู่ที่จุดเดียวแล้วก็ไม่ต้องบังคับควบคุมลมหายใจบ่อยให้ลมหายใจเขาหายใจไปตามธรรมชาติของเขาเวลาเริ่มต้นนี้ลมหายใจอาจจะยาบและอาจจะสั้น ก็รู้ว่าหายใจหยาบหายใจสั้นไปอย่าไปบังคับให้หายใจยาวๆเพราะนี่เป็นการทํางานของใจเราต้องการหยุดให้ใจห ย, ยุดทํางานให้ใจนิ่งเฉยๆดูเฉย ๆ, ๆให้รู้เฉย ๆ, ๆเวลาดูลมก็ให้ดูเฉย ๆ, ๆอย่าไปควบคุมบังคับลมให้ให้ยาวให้สั้นมันยาวก็ปล่อยมันยาวมันสั้นก็ปล่อยมันสั้นให้รู้ตามความเป็นจริง มันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดมันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบมันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปเมมันหายไปก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวว่าจะตายเพราะลมหายใจหายไปเพราะความจริงมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะละเอียดมากจนกระทั่งเราไม่สามารถจับได้ก็หรือว่ามันกำลังจะรวมเข้าสู่สมาธิก็ได้ตอนนั้นมันใกล้จะเข้าสู่จุดรวมของสมาธิแล้วถ้าเราไม่ไปทาอะไร กับลมเราเพียงแต่คอยเฝ้าดูที่จุดเดิมเหมือนกับตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นมาไปอยู่ที่จุดเดิมจุดเดียวส่วนลมจะเปลี่ยนไปอย่างไรเรื่องของมันหายไปก็เรื่องของมันขอให้เรารู้อยู่ที่ตรงจุดนั้นจุดเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้เวลาสงบแล้วลมก็จะหายไปจากการรับรู้ จมูกร่างกายบางทีก็หายไปเหนืออยู่แต่ความว่างความเย็นความสงบความสบายความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พระเจ้าทรงตรัสว่านาัตสันติปาลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบแต่โลกนี้ไม่มีนี่แหละคือความสุขที่วิเศษที่ประเสริฐที่ถ้าใครได้สัมผัสแล้วจะติดใจและจะไม่สนใจ กับความสุขในรูปแบบอื่นต่อไปกายได้ฝึกสมาธิแล้วมีความสุขจากสมาธิแล้วนี้จะไม่สนใจกับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะต่างๆจะเป็นจะชอบหาแต่ความสงบจะชอบไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอยู่ในที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากเนื้องราวุ่นวายต่างๆ อันนี้แหละคือเป้าหมายของการฝึกสมาธิของการนั่งสมาธิเพื่อให้เราได้เข้าถึงความสุขอันประเสริฐโลกที่มีอยู่ในใจของเรานี้ทุกคน <S <S โลกเรานี้มีสมบัติที่วิเศษที่มีคุณค่าราคามากยิ่งกว่าเงินร้อยล้านพันล้านหรื อ, อ, อหมื่นล้านแสนล้านเงินร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถซื้อความสุขแบบนี้ได้ ต่อให้เป็นมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกถ้าไม่ได้ฝึกสติไม่นั่งไม่ได้นั่งสมาธิเขาก็จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขอันเลิ่นโลกนี้ได้<ม>เงินทองมีมากน้อยเท่าไหร่ซื้อไม่ได้มีตำแหน่งสูงขนาดไหนเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นราาาาราาประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรี<ม>ก็สั่งความสุขนี้มามาไม่ได้ ม, มันไม่เป็นสิ่งที่ราบยศสรเสริญ จะสามารถสั่งเอาความสุขอันนี้มาได้ความสุขอันนี้ทุกคนต้องสร้างขึ้นมาเองต้องเข้าไปหาเองที่มีอยู่ในใจของตนต้องปฏิบัติเองต้องเจริญสติต้องนั่งสมาธิและการที่เราจะเจริญสตินั่งสมาธิถึงขั้นที่เราจะเข้าสู่ความสุขอันนี้ได้นั้นเราต้องทำแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวคือต้องทำแบบทั้งวันทั้งคืน เช่นถ้าญาติโยมก็มีเวลาสองวันในวันหยุดลองมาฝึกทำแบบทั้งวันทั้งคืนดูเหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไม่ทาอะไรอย่างอื่นเราก็ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขเราจะเที่ยวเข้าเราจะท่องเที่ยวเข้ามาภายในใจเราเราจะเที่ยวดูใจของเราแทนแทนที่เราจะไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆตอนี้เราจะไปเที่ยวตามแหล่งมหรลศต่างๆเราจะมาเที่ยว ในใจของเราเราจะเที่ยวหาความสงบสุขของใจของเราลองทำดูไม่ยากหรอกวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าอยู่ที่บ้านนั้นมันไม่เหมาะเพราะว่ามีคนอยู่ด้วยกันหลายคนรบกวนจิตรบกวนใจเราก็ไปหาที่ปฏิบัติธรรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรมตาม่ตางๆโดยเฉพาะสถานที่เขาส่งเสริมให้เราปฏิบัติตามลำพังถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้ว ถ้าเรายังปฏิบัติไม่เป็นนะก็อาจจะต้องไปไปตามสถานที่ปฏิบัติทาที่เขาให้ปฏิบัติร่วมกันเช่นเขาจะมีเวลาให้เรามานั่งสมาธิมีเวลามาให้เรานั่งสวดมนต์กันอะไรทาอะไรร่วมกันไปก่อนเพราะถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีทําเองแต่ถ้ามาได้ยินได้ฟังทาที่นี่แล้วก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปเรียนอะไรแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องทํานี้ก็คือการเจริญสติ การจัดญสติที่จะทำให้นได้ผลอย่างต่อเ น, นื่องนี้ต้องจริญสติในเวลาที่เราไม่ต้องไปทำงานทําการเวลาที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นีเออ้เป็นเวลาที่เราว่างจากภารกิจการงานว่างจากการมีความรับผิดชอบดูแลบุคคลต่างๆเราก็ไปปีกวิเวกอยู่คนเดียว อยู่ตามลำพังคนเดียวในสถานที่สงบห่างไกลจากเครื่องรบกวนใจต่างๆถ้าเราอยู่ใกล้กับพวกรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเราได้สัมผัสมันมันจะทำให้ใจเรานี้ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีทำให้ใจเราทำให้มันนิ่งยากเราถึงต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ถ้าอยู่ใกล้รูปพอเห็นรูปอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็อยากจะดูขึ้นมาใจก็เต้นขึ้นมาได้ยินเสียงก็อยากจะฟังเสียงนั่นขึ้นมามันก็จะทำให้ทำให้ใจสงบยากแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมากระตุ้นใจของเรากระตุ้นกิเลสกระตุ้นความอยากของเรานะเวลาทาใจให้สงบนี้มันจะง่ายเฉนั้นผู้ที่ต้องการความสงบงมักจะไปหาที่สงบทางกายก่อน วิเวกทางทางกายเพื่อจะเพื่อจะให้เกิดวิเวกทางใจเพื่อให้เกิดความสง บ, บทางใจถ้าอยู่ในที่วุ่นวายใจนี้สถานที่ที่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆนี้การการจะทําใจให้สงบนี้มันยากมากยากกว่าหลายเท่าหลายเท่ามากกว่าสถานที่ที่ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจให้ทำํำผู้ปฏิบัติที่ต้องการความสงบผู้ที่ต้องการได้ผลนี้ ยึงต้องมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันปัจจัยอันแรกก็คือต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเช่นในวันหยุดทํางานนี้ลองหาวันหยุดทั้วันสองวั น, วนแล้วก็ไปหาที่สงบแล้วลองไปฝึกสติงั่งสมาธิคนเดียวดูไม่ต้องกลัวไม่มีพิษไม่มีภัยอันตรายเวลาเราปฏิบัติคนเดียวความกลัวอะไรนี่มันเป็นเรื่องที่ใจกรุงแต่งขึ้นมาหลอกเราทั้งนั้น ถ้ามันเป็นที่เป็นพิษเป็นภัยคนที่เขาไปปฏิบัติมาก่อนเขาต้องเขต้องเจอพิษภัยอันตรายทั้งหลายแล้วแต่ไม่มีและมีแต่เจอความสงบเจอแต่ความสุขไม่ต้องกลัวการปฏิบัติที่แท้จริงต้องปฏิบัติคนเดียวถ้าปฏิบัติหลายคนแล้วมันจะทําให้จิตใจเราพรวักพะ อ, องทําให้จิตใจบางทีอดที่จะห่วงเขาไม่ได้แล้วทําให้เราอดที่อยากจะไปคุยกับเขาไม่ได้ เพราะเวลาเราปฏิบัติถ้าเราไม่มีสตินิจใจเราจะฟุ้งขึ้นมาแล้วจะทำให้เรารู้สึกเหงาว้าเหว่ขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แต่ต้องไปหาคนนั้นคนนี้มาเป็นเพื่อนคุยมาเพื่อนแก้เหงากัน ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังไปอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องดูทดสอบดูกำลังของใจของเราก่อนดูกำลังของสติของเราก่อนว่าสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้เกิดความว้าเหวเกิดความเศร้าส้อยหรเหงาได้หรือไม่ถ้ายังว้าเหวอ ย, อยู่ยังเศร้าส้อยเหงาเหงหง่อยอยู่ถ้าไปอยู่คนเดียวมันจะอยู่ไม่ได้มันจะทำอยู่ไม่ได้นานงั้นก็อาจจะต้องปฏิบัติที่บ้านไปพรางๆก่อนเท่าที่เราจะปฏิบัติได้ พยานสร้างสติให้มีกำลังมากขึ้นมาก่อนจนสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ว้าเวควบคุมอารมณ์เศร้าหมองได้เราถึงจะสามารถที่จะไปปีกวิเวกไปปฏิบัติตามลำทังได้ต่อไป mm hmm. แต่ถ้าต้องการให้เข้าถึงสมาธินี้จำเป็นจะต้องไปปีกวิเวกถ้าปฏิบัติแบบที่ยังไม่เต็มรูปแบบนี้โอกาสที่จะทำให้จิตนี้เข้าสู่ความสงบ แบบเต็มร้อยนี่ทำได้ยากยกเว้นว่าถ้าเราเป็นคนที่มีบุญเก่ามาเราเคยเจริญสติมามากแล้วเราสามารถนั่งสมาธิที่บ้านแล้วทำให้จิตสงบได้ก็มีบางคนนี่มีบุญเก่ามาเคยฝึกสติเคยฝึกสมาธิมามากพอเวลาอยู่ในห้องคนเดียวนี้ แต่นั่งหลับตาดูลมปั๊บเดียวหรือบางทีไม่ต้องดูลมนั่งอยู่เฉยๆปั๊บเดียวใจก็นิ่งสงบขึ้นมาก็ได้อันนี้แสดงว่าเป็นมีบุญบารมีเก่าคือได้ฝึกสติมามากนั่นเองสติสามารถควบคุมใจไม่ให้รู้สึกเหนาไม่ให้รู้สึกว่าเหวไม่ให้รู้สึกว่าอยากจะไปนู่นมานี่อยากจะดูนั่นฟังนี้พอให้นั่งอยู่เฉยๆมันก็นิ่งเข้าสู่ความสงบได้ อันนี้ก็มีสำหรับบางคนนักปฏิบัติบางคนนี้ลองสุดนั่งสมาธิครั้งแรกนั่งได้ห้านาทีสิบนาทีจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบก็มีอันนี้เป็นกรณีพิเศษเป็นบุคคลที่ได้สะสมบุญบา ร, รมีมาในอดีตพระพุทธเจ้าถึงสอนในมงคลตระสุดว่าการได้สร้างบุญมาในอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลเพราะว่ามันจะทำให้เรา สร้างบุญใหม่ได้ง่ายสร้างสติใหม่ได้ง่ายสร้างสมาธิใหม่ขึ้นมาได้ง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องถือหลักของการเจริญสติเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติถ้าเรายังไม่มีสตินี้ถ้านั่งสมาธิใจก็จะลอยฟังเทศใจก็จะลอยอย่างนี้เราต้องพยายามมาสร้างสติกันก่อนพยายามาหัดใช้พุทธโธพุทธโธไป หรือใช้การเข้าดูร่างกายของเราทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวเอาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยไม่มีจุดไหนที่จะดีเท่ากับการเวลาตอนที่เราตื่นขึ้ น, นมานี้แหละถ้าเราไม่เริ่มทำตั้งแต่จุดนั้นมาเราก็จะไม่ได้ทำทั้งวันแต่ถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมานี้ถึงแม้ว่าจะเผลอบ้างจะหายไปบ้างเดี๋ยวเราก็จะกลับมาทาต่อได้เนะพราะเรารู้แล้วว่าเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องเจริญสติ พราะการเจริญสตินี้เราสามารถทําควบคู่ไปกับการทํางานในชีวิตประจําวันของเราได้ไม่จําเป็นที่จะต้องใบ ป, ปีกวิเวกอยู่คนเดียวถึงจะเจริญสติได้เจริญสติแบบไปปลีกวิเวกนี้มันเป็นแบบขั้นสูงขั้นที่จะทําให้เราเข้าสู่สมาธิได้แต่ถ้าเรายังไม่มีสติในระดับนั้นเราต้องเจริญสติแบบขั้นต่ำํำนีงก่อนเกิเจริญสติในชีวิตประจําวันของเรา ด้วยการฝึกให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยหรือด้วยการใช้คำบิกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างได้อย่างหนึ่งจะผัดกันสลับกันก็ได้ไม่ใช้พุทโธก็ใช้ดูดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปหรือใช้ทั้งสองอย่างกำกับไปเพราะว่านอกจากพุทโธแล้วก็ต้องดูด้วยว่าร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ ไม่ใช้พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ทำอะไรแบบไม่รู้เรื่อง ını, อันนี้ก็ไม่ถูกเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเรากาลังทาอะไรเราใช้พุโทโธเพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปที่อื่นให้เราอยู่กับการที่เรากำลังทำอยู่เช่นถ้าเราขับรถแล้วเราใช้พุโทโธเราก็ต้องดูการขับรถเป็นหลักก่อนอย่าไปใช้พุโทโธเป็นหลัก uit. เราต้องดูการขับรถไม่ใช่พุโทโธไปแล้วไม่ดูการขับรถ ถ้าไม่ดูการขับรถไปอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวรถ ไ, ไ, ไปชนคันไปจะไปชนคันนั้นคันนี้ก็หยุดไม่ได้ดังนั้นโดยหลักเราก็ต้องดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของนร่างกายแล้วก็ใช้พุโทโธมาช่วยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งถ้าเราไม่สามารถดูการเคลื่อนไหวของนร่างกายได้อย่างต่อเนื่องนี่เราก็ต้องอาศัยพุโทโธมาช่วยด้วยอันนี้ถ้าเราอยากจะเข้าหาความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่มีอยู่ในตัวเรานี้ เราต้องมีมาตรการการกระทําที่ถูกต้องต้องดําเนินตามขั้นตามตอนขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเจริญสติกันสร้างสติกันถ้าเรานั่งสมาธิห้านาทีสินาทีมันไม่สงบนี่แสดงว่าสติเรายังไม่มีไม่มากพอเรานั่งไม่ได้นานนั่งได้เดี๋ยวเดียวก็อยากจะลุกก็เราต้องมาเจริญสติขยันเจริญสติกันหน่อ ย, เ, ยเจริญได้ทุกวันเวลาที่เรา และเราใช้ชีวิตในประจำวันนี้เราสามารถเจริญสติได้ไม่ต้องไปอยู่วัดไม่ต้องไปปีกวิเวกก็ได้ในเบื้องต้นให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้รู้ว่ า, าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังอยู่ในอิริยาบถไหนกำลังกกำลังนอนพอลืินตาขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังนอนพอขยับจะลุกขึ้นมาก็รู้ว่าลัลุกขึ้นมา กำลังนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินนี่ก็ให้ดูทุกขณะไปอย่าให้ใจไปที่อื่นถ้ามันจะไปที่อื่นก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเดินกลับมาควบคู่ไปกับการดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายต่อไปไปอาบน้บําอาบทาร้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัววิภาวีผมรับประทานอาหารก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหว ถ้าเราทำอย่างนี้ได้พอมีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตานั่งในท่าไหนก็ได้ถ้าไม่นั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปอย่างนี้ก็ได้การภาวนาไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งอยู่ที่สติถ้ามีสติแล้วนั่งในท่าไหนก็สงบได้แต่ถ้านั่งในท่าขัดสมาธิได้นี่จะดีที่สุดเพราะจะนั่งได้นานและจะสงบได้นานกว่าแต่ถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ไปก่อนก็ได้ นั่งรถไปทำงานถ้าเราไม่ได้ไปขับรถเองเราก็นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ทาได้ตลอดเวลาการปฏิบัติถ้าเราสนใจเรื่องการปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเราสามารถจเจริญสติฝึกสมาธิได้แทบจะทุกวันทุกเวลาในขณะที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ช่วงที่เราไปนั่งรอหมอรอคิวอะไรนี้แล้วก็นั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปก็ได้ดูลมหายใจไปก็ได้นั่งรถก็ถ้าเราไม่ได้ขับเราก็พุทโธพุทธโทรไปเราจะรู้สึกว่ารถมันจะติดนานแค่ไหนก็รู้สึกว่ามันติดเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวก็ถึงละแต่ถ้าเรานั่งหิับตาแล้วดูรถดูรถอะไรดูการเคลื่อนไหวต่างๆใจเราจะร้อนใจอยากจะให้ไปถึงเร็วๆมันก็จะรู้สึกช้าเหลือเกิน แต่ถ้าเรานั่งหลับตาแล้วก็ดูลมไปพุโทโธไปแปบ๊บเดียวก็ถึงจุดหมายปลายทางโดยวไม่รู้เสร็จตัว น, นี่คือคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเรามาฝึกกันมาฝึกสติกันนั่งสมาธิกันเราจะได้พบกับสมบัติอารล้ำค่าที่มีอยู่ในตัวของเราไม่ต้องไปขออะไรจากใครถ้าเราได้ความสุขอันนี้แล้วเราไม่ต้องไปพึ่งอะไร ไม่ต้องไปเพิ่มลาบยศเสริญไม่ต้องไปเพิ่มรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถสร้างความสุขนี้ได้ทุกเวลาที่เราต้องการนี่คือเรื่องราวที่เราจะได้ยินได้ฟังถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเราจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วปฏิบัติแล้วก็จะไม่มีผลเสียหายตามมา จะไม่เสียสติถ้าเรารู้หลักของการฝึกสมาธิแล้วว่ามันฝึกเพื่อให้ใจสงบไม่ได้ให้ใจไปนรกไปสวรรค์ไประลึกชาติได้ไปพบเห็นพูดผีประสาทอะไรต่างๆทีเหล่ า, า, านี้อาจจะเกิดขึ้นได้และอาจจะเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ถ้าเรามีสติกำกับอยู่กับใจเราไม่ต้องไปสนใจเราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปแล้วสิ่งต่างๆที่มันมาปรากฏให้เห็นมันจะจางหายไปเอง มันจะไม่สามารถมาดึงเราไปหลอกเราไปให้เราเชื่อให้เราคิดว่าเราได้ไปที่นูน่นที่นี่ได้เจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เราจะพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปก็ได้เพราะมันเป็นของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสาระไม่มีคุณประโยชน์อะไรเป็นเหมือนภาพประยนุนเป็นเหมือนภาพลวงภาพหลอกอย่าไปให้ความสําคัญสิ่งที่เราต้องการความ สิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็คือให้มีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธแล้วผลก็คือความสงบนิ่งความว่างความเย็นของใจที่เราเป็นที่เป็นผลที่เราต้องการเท่านั้นอันนี้คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้เพื่อที่จะได้นำเอาไปใชใ้เกิดคุณประโยชน์ต่อชีวิตต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริกปเรณติสากหลังเอวามวะอิโตชิน e ังเปตานังอุปการปติยิช an ิตังปะิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปเรณตุสังกาปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติ so อระสุยัตสัพพิติยวิวัจฉันตุสัพพโรโคนิยัสตุมัตเตปวตวันตารโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาฒนสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจตารูธรมมวัทันติอายุวันโอสุขัง ลต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคําถามที่ท่านสามารถที่จะาถามคําถามอะไรได้เฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวพรหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกเราจะต้องมีกิจกรรมต้องมีการกระทําอะไรอย่างอื่นตามมาอีกท่านนั้นอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เข้ามาถามเองก็ได้ เขียนส่งเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทูบได้ก็เชิญถามได้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีทั้งหมดกี่คนวันนี้ ทาง FB พระอาจารย์456 YouTube พระสุชาติไรฟ e 263 YouTube ดรว c ชา n n e l 100วิทยุออนไลน์9ค l ับ h ฮ u s ์13หน้ากุฏิ166รวม 1,007 ค่ะ okay. มีคำถามก็อ่านได้เลยคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิค่ะ ข้อแรกขั้นตอนการเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อกำจัดกรรมราคะไปสู่สกิทาคามีควรจะทำอย่างไรคะก็ดูภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นดูภาพศพของคนที่ตายไปแล้วอันนี้เวลาเราเห็นภาพสวยๆงามๆมักจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาพอเรานึกถึงภาพตอนที่เขาตายไปแล้วมันก็จะทำให้การอารมณ์หายไป ใช่ไหถ้าถ้าแฟนเราตายไปวันนี้เรายัางจะเก็บเขาไว้ในบ้านหรือ่าส่งเข้าวัดเลยทันทีใช่ไหมต้องคิดถึงตอนที่เขาตายบ้างเรากําลังนอกนกับรรรรรสร้างศพเป็นรึเว่าสรางศพที่หายใจได้นะพอหยุดหายใจปั๊บนี่ไม่เอาแล้วส่งขึ้นส่งวัดไปเลยอย่งนั้นต้องดูสรากศพ บ, บ้างถ้าเราใจกล้าพอดูศพชนิดต่างๆถ้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูภาพถ่าย ของโรงพยาบาลของอะไรหาดูในอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะเนี่ยดูภาพสมืูอใหญ่จะดูภายในของร่างกายก็ได้ร่างกายเรามีอะไรอีกต้องเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นใต้ผิวหนังเข้าไปเนี่ยมีเนื้อเอ็นกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆลองมาดูพวกนี้บ้าง ดูแลมันจะทําให้เราระงับการอารมณ์ได้เวลาที่เราเห็นแต่ส่วนที่เขาทํามาให้ดูสวยๆอ่างงามงาต่างๆข้อที่สองสติแข็งแกร่งและสติละเอียดแตกต่างกันอย่างไรคะก็สติที่หยุดความคิดได้ก็ถือว่าสตินี้มีกําลังมากแต่ยังหยุดความคิดหยุดกิเลสไม่ได้ก็ยังไม่แข็งแกร่งเวลาโลภยังอยากได้อยู่ยังหยุดไม่ได้เวลาโกรธยังหยุดไม่ได้ แสดสติยังอ่อนเล่ถ้าสติแข็งเวลาจะโลภปั๊บก็หยุดเลยเวลาจะโกรธใครปั๊บก็หยุดเลยเฉยเฉยได้ทำใจเฉยเฉยแก ค, คำถามจากหน้ากุติเช่นกันค่ะตอนตายใช้เวลากี่วินาทีในการเปลี่ยนภพภูมิคะก็หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายนะ ไม่ต้องไปนับเวลาหรอกมันไม่มีใครไปใครไปตรวจเวลาเวลากูจะตายจะใช้เวลากี่วินาที<ม>ขอให้ตายด้วยการมีสติดีกว่าอย่าไปดูเวลาดูสติถ้าเรามีสติควบคุมใจใจเราจะไปสู่สุคติ<ม>ถ้าไม่มีใจไม่มีสติควบคุ ม, มก็อาจจะไปอบายได้<ม>ปัจจุบันพ่อแม่อายุมากแล้วมีเวลาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะพบเห็นทางธรรมน้อย พอจะมีวิธีทางไหนที่จะช่วยให้พ่อแม่พบทางเห็นธรรมหรือตั้งใจฝึกปฏิบัติเพื่อที่วาระสุดท้ายของชีวิตจะได้พบสุขคติภูมิบ้างก็ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆฟังได้ทั้งวันเลยสมัยนี้มีเครื่องอัดเสียงมีเครื่องอะไรเปิดฟังได้ตลอดเวลาดู YouTube บ้างก็ได้มีทำต่างๆให้เราได้ศึกษาตลอดเวลาการที่ลูกอธิษฐานให้พ่อแม่พบทางเห็นธรรม จะช่วยให้พ่อแม่หันมาฝึกปฏิบัติได้เร็วขึ้นไหมไม่เกี่ยวกันหรอกมันต้องอยู่ที่ตัวพ่อแม่เองถ้าแม่ต้องมีความปรารถนามีความยินดีที่จะศึกษาธรรมถ้าไม่มีความยินดีคนอื่นไปปรารถนาแทนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่ปฏิบัติธรรมควรกินมังสวิรัตหรือกินเจไหมครับ ไม่ไม่เกี่ยวกันเรื่องการกินนี่กินอะไรก็ได้ไม่ได้มาทําให้การปฏิบัติธรรมดีขึ้นแล้วเลวลงเรื่องอยู่ที่จะกินมากกินน้อยมากกว่ากินมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทําให้ขี้เกียจทําให้ง่วงนอนทําให้อยากจะนอนเห็นถ้าจะปฏิบัติธรรมต่องกินน้อยๆกินน้อเดียวอย่างนี้เรื่องกินอะไรไม่ไม่สำคัญ ถ้าจับได้เราไม่ได้ไปทําให้เขาตายแล้วเอาเนื้อเข้ามากินนี่ไม่บาปถ้าของที่ตายแล้วเราไปซื้อที่ตลาดมามากินนี่ไม่บาปบาปอยู่ที่คนคนทำอยู่ที่คนฆ่าใครฆ่าคนนั้นก็บาปแต่เขาฆ่าแล้วเอาเนื้อมาขายเอามาแบ่งให้คนอื่นกินคนอื่นที่ซื้อหรือกินนี่ไม่บาปแต่อย่างใดไม่ต่างกับการกินผักกินเนื้อเป็นอาหารเท่าเทียมกัน ไม่มีคุณไม่มีผลต่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเรื่องการปฏิบัติแต่อย่างไรคือกินเจแต่ยังตบยุงอยู่เห็นบางคนบอกว่ากินเจแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับไม่เราดีขึ้นอยู่ที่ว่าทาบาปหรือไม่ทาบาปถ้าไม่ทำบาปชีวิตก็จะดีขึ้นถ้าทำบาปชีวิตก็จะเละแย่เลย เคยมีอุบัติเหตุสุดวิสัยขับรถชนคนเสียชีวิตผ่านมาสามสี่ปีแล้วแต่ยังรู้สึกเสียใจและเหมือนตกนรกทั้งเป็นจะมีวิธีใดบ้างที่ทำให้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้ปกติสุขคะราใช้สติพุโทโธหยุดความคิดต่างๆไปเท่านั้นเองมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองผลอะไรจะมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดของเรา อย่าไปคิดให้เสียเวลาอยู่ความคิดดีกว่าส่วนวิบากมันจะเกิดมันก็เกิดเราคิดไม่คิดถึงเวลามันจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดยั้นทํากรรมอันใดไว้แล้วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นให้คิดอย่างนี้แล้วก็อย่าไปคิดถึงมันมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันไปเวลามันคิดแล้วทำให้ไม่สบายใจก็ท่องพุทโธพุทโธไปหยุดมันคําถามจากคุณนันพัฒ ยุคนี้มีบทสวดของพระโคติตว์บ้างสวดแล้วสามารถบรรลุมรรคผลได้บ้างพระอาจารย์มองอย่างไรครับสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาทิฐิหรือไม่ครับ อ, อ๋อมันมันสวดอย่างเดียวมันไปถึงนิพพานไม่ได้หรอกการสวดเป็นการฝึกสตินนเป็นเพียงขั้นต้นของการปฏิบัติสวดให้มีสติเพื่อชี้ได้นั่งสมาธิได้นั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบเป็นอุเบกขา แล้วก็ต้องไปทางปัญญาต่อถึงจะไปถึงนี้ผ่านได้ยังอีกไกลการสวดไม่ว่าจะสวดบทไหนมีผลเหมือนกันเพราะมีหน้าที่ทำให้เรามีสติมากขึ้นจากคนเดิมค่ะธรามายุคนี้ต้องพึ่งบทสวดจักรพัทครับในเมื่อมรรคแปดมีอยู่พระอรหันต์มีอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ครับก็เป็นความเข้าใจของเขาของคนปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขา จะมิฉาหรือสัมมาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปไปว่าเขาเขาสนใจอยากจะสวดบนไหนก็เรื่องของเขาไปเราดูที่ตัวเราดีกว่าคำถามจากคุณทรีท่านเจ้าคะด้วยตัวเราเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติ ด, ด้วยทางพระธรรมคำสั่งสอนรู้ถึงความสุขแท้จริงทำได้แค่ให้คำแนะนำและโพสธรรมะ เพื่อใครที่ได้เข้ามาเห็นจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนี่คือทางถูกต้องทําสายกลางหรือเปล่าเจ้าคะเราจะได้ไม่เสียใจหรือผิดหวังที่คนไม่เข้าใจความหวังดีของเราหรือจะคิดว่าเรากดดันเขาเจ้าค ะ, คะแบบเตือนสติเขาตัวต่อตั ว, ต ว, ตวขอกราบเมตตาท่านด้วยเจ้าคะ่ะคือการจะสอนใครบอกใครนี้ต้องดูว่าเขายินดีฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินดีก็อย่าไปสอนอย่าไปบอก ลองถามว่าก่อนเธออยากจะฟังไหมฉันจะมีเรื่องนี้มาเล่าให้เธอฟังถ้าเขาอว่าไม่ฟังน่ะฉันรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเออมีอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อยสิเราก็เล่าให้เขาไปวันนี้ได้พาโยมได้พาเพื่อนมากราพระาจาย์ ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ทรมะเพื่อนําไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจําวันเจ้าค่ะข้อแรกสัมมาอาชีพที่ไม่พออย่างชีพข้อสองสังขารป่วยอ่อนแรงลงทุกวันกับขอบพระคุณในความเมตตาเจ้าค่ะก็แล้วนะสัมมาอาชีพอะไรสัมมาอาชีพที่ไม่พออย่างชีพอ่สาสัมมาอาชีพไม่พออย่างชีพได้ไัอไง หามาไม่พอใช้จ่ายเจ้าค่ะแม้ว่าจะเป็นสมมาอาชีพก็ใช้มันน้อยสอิถ้าใช้มากมันก็ไม่พอเราต้องใช้ตามที่เราหาได้ถ้าใช้มากกว่าที่เราหาได้มันก็ไม่พอใช้แต่ถ้าใช้น้อยกว่าที่เราหาได้มันก็เหลือใช้ดง <laughs> นั้นอยู่ที่การใช้จ่ายของเราพราะเจ้าถึงสอนให้เรามากน้อยสันโดษให้ใช้เท่าที่จาเป็นให้มีเท่าที่จาเป็นเสื้อผ้าไม่ต้องมีเต็มตู้หรอกมีแค่สามชุดก็พอ ชุดนึงไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองแค่นี้สามชุดพอแนะล้วรองเท้าก็คู่เดียวก็พอเท้ามีคู่เดียวท่านต้องมีรองเท้าเป็นสิบคู่แล้ามากน้อยแล้วรับประกันได้ว่าจะจะพอใช้เดือนเดือนจะจะเหลือใช้เหลือกินที่มันไม่พอเพราะกิเลสความโลภความอยาก เห็นอะไรใหม่ก like, ็อยากได้เห็นเสื้อใหม่ก็อยากได้เห็นรองเท้าใหม่ก็อยากได้ซื้อมาแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้ใช่ไหมต่อไปก็ต้องไปหาซื้อตู้มาเก็บอีกมันก็ไม่พอใช้ไหมนีใช้เหตุผลเรามีร่างกายร่างเดียวเสื้อผ้ามันต้องมีกี่ชุดกันรองเท้าต้องมีกี่คู่กันท่านี้มันก็อยู่ได้นะอันที่สองว่า ข้อที่สองสังขารป่วยอ่อนแรงลงทุกวันเอาเป็นธรรมชาติของร่างกายทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาทุกคนไม้แต่ผู้ที่พูดอยู่ขนาดนี้ก็อ่อนลงมาเรื่อยๆอยู่นะเอามันเป็นธรรมชาติแต่ใจนี้ไม่อ่อนตามร่างกาย ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาแล้วใจจะเข้มแข็งใจจะแข็งแรงตลอดเวลาน่่งกายจะอ่อนในขนาดไหนก็ตามใจนี้จะมีพลังมากไม่ต้องกลัวคำถามจากคุณวิไลรัตอยากจะไปปลีกวิเวกไปที่ไหนดีคะเพราะเวลามีน้อยก็ลองค้นหาใน Google ดูเราไม่ใช่ Google เลยนะลองใส่เข้าไปว่าที่สถานที่ปลีกวิเวกในประเทศไทยอันนี้มันก็โผล่ขึ้นมาเยอะแยะแล้ว มีของดีใช้ใช้ไม่เป็นกันเลยมือถือนี่เป็นเหมือนกับเหมือนกับตะเกียงวิเศษอยากจะได้อะไรก็ถูปั๊บเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วพี่ต้องการอะไรเห็นไหมดอกซิลิฉันต้องการหาร้านอาหารอร่อยอยู่ตรงไหนมันก็โผล่ขึ้นมาบอกกันนะคาถามจากคุณทรีหลายต่อหลายที่ได้รับคําตอบจากลูกค้าว่าการอยู่ต่างประเทศก็มีความปรารถนาทําบุญกับพระ ท่านที่บริสุทธิ์พระแท้แต่หาได้ยากเหลือเกินทําให้เขาไม่มีที่พึ่งทางใจในต่างแดนคือประเทศอังกฤษคําถามคือจะดูลักษณะพระอย่างไรว่านี่คือพระแท้เจ้าคะอ๋อดูยากเหรอเพราะฉะนั้นก็ดูเพชรถ้าเราไม่รู้วิธีดูเพชรแท้ดูยังไงก็ดูยากฉั้นแต่การบูญทําทานนี่ไม่จําเป็นจะต้องทํากับพระแท้พระอะไรเราทํากับอย่างอื่นก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าพระนี้เป็นพระแท้หรือพระปลอม เราก็ทํากับวัดแทนก็ได้ไม่ต้องทํากับบุคคลทํากับวัดหรือถ้าเราไม่มั่นใจในวัดเราก็ทํากับองค์กรอื่นก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับโรงเรียนก็ได้อันนี้สงฆ์ไม่ต่างกันประโยชน์คือความสุขบุญที่ได้ไม่ต่างกันฉะนั้นจะทํากับใครก็ได้ถ้าเราอยากจะได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจแต่ถ้าเราต้องการสนับสนุนเราก็ต้องดูว่าเราต้องการสนับสนุนใคร ต้องการสนับสนุนวัดเราก็ต้องไปดูวัดที่เราเห็นว่าเป็นวัดที่น่าสนับสนุนหรือไ ม, ไม่ถ้าต้องการสนับสนุนโรงเรียนเราก็ไปทาบุญกับโรงเรียนอันนี้ต่างกันคำถามจากกุลเบญจาการนาทองคําไปร่วมหล่อพระพุทธรูปเราจะได้บุญเวลามีผู้มากับไหว้จริงไหมเจ้าคะ ไม่จริงแล้วเราได้ตอนที่เราบริจากทองคำนั้นไปแล้วได้เท่านั้นน่ะได้ความสุขใจอิ่นใจได้ความเสียดีใจมีความสุขได้สวรรค์ <c oughs> เวลาใครมังกรกี่ครั้งกี่หนไม่เกี่ยวกับเราแนละ้วเราไม่รู้ว่าใครมากราบน้องเวลาหมาม า, ม า, ม, ามาเยี่ยวรถเราก็ไม่รู้อีกเว <c oughs> <c oughs> ลานกพิราบมามาขี้ส่เราก็ไม่รู้อีก มันเกกี่ย ว, วคำถามจากคุณจุธทาทิพย์การบรรลุถึงพระโสดาบันต้องเริ่มจากอะไรและมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรบ้างคะออ เ, เริ่มจากทําทานก่อนนะสละทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองไปก่อนไม่ยึดไม่ติดกับเงินทองก่อนเพราะการเป็นโสดาบันนี้ต้องไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายถ้าเรายังยึดติดกับเงินทองอยู่แล้วเราจะเราจะไปปล่อยร่างกายได้อย่างไร พระเจ้าบอกต้องให้สละทรัพย์ก่อนแล้วก็รักษาวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็ให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมโสดาบันอาจจะเป็นโสดาบันต้องสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตได้ถ้าสละได้ก็จะได้เป็นโสดาบันได้ คำถามจากคุณเตชินีอยากให้ลูกชายได้บวชใส่วัดป่าต้องฝึกอะไรเบื้องต้นบ้างคะเพื่อพาไปวัดป่าปบ่อยๆวัดที่เราอยากจะบวช ด, ด้วยไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติของแต่ละวัดซึ่งไม่เหมือนกันไปทำความเข้าใจทำความสนิทสนมกับพระที่นั่นเดี๋ยวเขาเห็นเขาชอบเราก็จะชวนเราบวชเองคำถามจากคุณเด e m มอลติเว i a l Unity เรื่องการพิจารณาเห็น ต้นพุทธกาลมีพุทธมามะกะผู้มีบุญทั้งทางโลกทางธรรมสะสมมาแล้วสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจำนวนมากขนาดนี้กึ่งพุทธกาลแล้วผู้ใดสะสมบุญไว้น้อยตามำบากขาดไม่รีบขนวกวสะสมทานศีลภาวนาสร้างนิสัยในการท่องสารวัตรอาจขาดทุนตกทุกข์ลาบากภายหน้าได้พิจารณาเช่นเห็นนี้ถูกต้องไหมครับ มันพิจารณาเยอะแล้วกัรไม่รู้จัก ม, มันก็พิจารณาไปก็แล้วกันถูกต้องไม่ถูกต้องคุณก็คิดตัดสินใจเอาเองม้างจะให้คนอื่นเขามาตัดสินใจใเราไม่ได้หรอกคาถามข้อสองถ้าใจอิ่มสงบถึงสันติสุขแล้วใจก็ไม่จําเป็นต้องดิ้นรนเดินอยู่ไปสแสวงหามายาใดเด็กสิ่งใดเลยมาเติมให้อิ่มเช่นนั้นใช่ไหมครับใช่เหมือนน้ําที่เต็มแก้วแล้วนะ จะเติมน้ำอะไรเข้าไปมันก็ล้นแก้วอยู่ดีใจที่อิ่มใจที่พอแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วมีความสุขในตัวของมันเองคําถามจากคุณบริเดชข้อแรกขณะจิตดิ่งร่วงลงมากําลังรวมเป็นสมาธิให้เราไปเพ่งจับที่จุดไหนดีหรือไม่ต้องเพ่งใดๆเลยครับก็อยู่ที่จุดเดิมะเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ข้อที่สองถ้ารวมเป็นสมาธิแล้วต้องการไปสมาธิขั้นต่อไปเราต้องเพ่งต่อหรือปล่อยตามอารมณ์ไปเลยครับไม่ต้องไปละเราต้องการไปแค่จุดนี้ใช่ถาไปต่อก็เป็นมิจฉาสมาธิอุปาจารสมาธิไปเี็นอภิน ญ, ญานี้มันเป็นอุปะจะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ควรไปให้ควรอยู่ในจุดที่เรานิ่งสงบมีอเบกขา ให้มันอยู่นานๆถ้ามันอยากจะออกถ้ามีสติบังคับไม่ให้มันออกได้ก็บังคับมันต่อไปให้มันอยู่ต่อไปนานๆคำถามจากคุณหลินนั่งสมาธิหรือฟังธรรมแล้วเคลิมหลับควรแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะลุกขึ้นมาเดินฟังดูเลยเดินจงกรมไปฟังไปหนึ่งก็ได้ คำถามจากคุณสุกัญญาการที่เราชอบถวายสังฆทานแดดภาคปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่เสี่งครบถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติใหมคะเลือกแต่ไม่ไมเป็นไรเพราะเป็นเลือกในการกระทําในสิ่งที่ดีแล้ว เ, เ, เลือกทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทําเราไม่อยากจะไปสนับนุนพระที่ไปอาบกินเหล้าใช่ไหมพระที่ไปม่วศีกามนี่เราก็ไม่อยากจะไปทําบุญกับท่านเพราถ้าเราไปสนับสนุนให้คนเขาทาไม่ดี แต่คนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ต้องควรจะสนับสนุนเขาเราก็ทำแต่สิ่งที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์คำถามจากคุณโรงชยัยสัญญาเก่าที่มีกิเลสฝังอยู่ด้วยเมื่อนึกถึง ความจํานั้นขึ้นมาก็จะมีกิเลสตามมาทันทีใช่ไหมครับแล้วเราก็ปรุงแต่งต่อไปเป็นสังขารที่กิเลสชักจูงไปเป็นแบบนี้ทุกครั้งใช่หรือไม่ดังนั้นจะทําลายสัญญาเก่านี้ได้อย่างไรครับสัญญาใหม่ไงพอเราปรุงแต่งแล้วเกิดความโลภ ก, ก็ปรุงแต่งว่ามันนนั้เป็นอนิจจังต่อของที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์พอเรามีสัญญาใหม่เข้ามามันก็จะดับสัญญาเก่าได้ ต่อไปเราก็จะมาเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกรณีนอนหลับแล้วโดนอัมมีความรู้สึกว่าเราขยับตัวไม่ได้ที่เรียกว่าผีอัมเป็นจริงไหมเจ้าคะเราสามารถแก้ไขให้ผีไม่มายุ่งกับเราได้ไหมคะหนูนอนกลางวันแล้วชอบโดนอัมกรับขอความเมตตาค่ะอ๋อมันเป็นอาการของจิต เรื่งว่าไม่มีพิษมีภัยอะไรกายเรามีสติรู้รู้เฉยๆเข้าไปแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นให้รู้เฉยๆว่ามันเป็จิตของเราเล่นโกนให้เราดูเท่นั้นเองมันทดสอบใจมันทดสอบตัวเราได้ว่าเรารู้ทันมันหรือเปล่ากา้เรารู้เฉยๆว่ามันมาหลอกกูอีกแล้วมัาเล่นกับกูอีกแล้วพอรู้ทันเดี๋ยวมันก็หายไป คำถามจากคุณบรรณวัตรถ้าทุกคนบวชกันหมดหนึ่งในนั้นมีเราอยู่ด้วยเราจะหาคนใส่บาตรที่ไหนครับก็ไม่ต้องใส่เลยบวชบวนก็ดีเลยก็ใส่กันเองก็ได้ถ้าบวชถ้าบวชกันทุกคนก็แบ่งหน้าที่ไปคนนี้เป็นพ่อครัวคนนี้เป็นแม่ครัวคนนี้ก็แบ่งทําหน้าที่ได้มันไม่ยากเย็นหรอกถึงเวลามัานตับได้ของคนนี้คำถามจากคุณกระปุกคนขายเนื้อหมูสด สั่งลูกค้สั่งลูกน้องฆ่าหมูทุกวันให้ตัวเองไปนั่งขายเนื้อหมูใครจะบาปหนักกว่ากันคะเท่ากันเน่สั่ ง, งสั่งเขาก็ดีทำเองก็ดีก็เป็นบาทเท่ากันคำถามจากคุณเนตตี้ภาระต่างๆที่คุณพ่อที่ได้ไวชมไปแล้วทิ้งไว้ให้นั้นเรียกว่าวิบากกรรมตกสู่ลุ่นลูกไหมเจ้าคะก็แล้วแต่เราเราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ที่เราจะรับหรือไม่รับเราไม่รับก็ได้ คำถามจากคุณนัฐพัฒน์การที่สมาธิอยู่ในระดับอัปนาสมาธิแล้วอยากจะออกก็ลืมตาได้เลยหรือครับไม่ติดชานเหรอครับธรรมดาเราเข้าไปเพื่อให้มันอยู่นานๆมันไจะรีบบอกไปทำไมถ้ารีบออกก็อย่าไปเข้ามันให้เสียเวลาเปล่าๆ คำถามจากหน้ากุติค่ะนั่งสมาธิเล่วเห็นหน้าแข้งเปิดเห็นกระดูกขาและกระดูกกองอยู่ด้วยตอนนี้ก็คิดแค่ว่าเรามันก็แค่นี้แค่กองกระดูกกองหนึ่งหนูสามารถใช้ภาพกองกระดูกระงับความรักความโลภความโกรธความหลงได้ไหมโชคค่ะคือเวลานั่งสมาธิถ้ามันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจให้กลับมาดูลมแล้พุทโธไป ส่วนสิ่งที่เราเห็นถ้าเราจำได้ไเวลาออกจากสมาธิมาเราจะนึกถึงมันบ่อยๆก็ได้เพื่อามาใช้ให้เป็นปัญญาต่อไปก็ได้แต่ถ้าเวลานั่งสมาธิมีอะไรโผล่ขึ้นมาอย่าไปสนใจเพราะมันจะทำให้การนั่งสมาธิของเราขาดตอนแลาจะไม่ได้ผลไม่ได้ความสงบในเวลานั่งสมาธิอะไรผู่ขึ้นมาไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปสนใจ แต่ถ้ามันจำได้เวลาจากสมาธิมาแล้วจะมาใช้เป็นปัญญาได้ก็ออกมาใช้ได้คำถามจากคุณแบมแบมอปนาสมาธิจำเป็นที่ร่างกายจะต้องหายไปไหมคะก็มีทั้งสองอย่างแบบาหายก็มีแบบไม่หายก็มีแตบบ่ใจก็เป็นอุเบกขาเหมือนกันใจนิ่งใจเฉยใจสักแต่ว่ารู้ คำถามจากคุณจิรารัตผู้ปฏิบัติธรรมโดยมีครูบาอาจารย์คอยกำกับดูแลยกมีโอกาสเลื่อนขั้นไปสู่การมารู้ธรรมได้มากกว่าผู้ปฏิบัติเดี่ยวอยู่ที่บ้านใช่ไหมเจ้าคะก็เหมือนกับการไปเที่ยวตามสถานที่ที่เราไม่เคยไปถ้าไปเที่ยวเองไปเปิดหนังสือดูเองหรือมีไกด์พาไปจะสบายกับกันถ้ามีครูบาอาจารย์ก็เหมือนในผู้นําทางผู้นําทางก็จะพาไปจุดสําคัญสําคัญทันทีไม่ต้องเสียเวลา ถ้าพี่ไม่มีผู้นำทางแล้วว่าต้องคำไปตรงนีจงน้จุดนี้สำคัญไหมจุดนี้สำคัญไหมมันก็จะเสียเวลาช้ากว่ากันคำถามจากคุณสุกัญญาเราก็รู้อยู่ว่ากาปรปฏิบัติพาเราพ้นทุกได้แต่ทาไมใจถึงไหลหลงไปกับกิเลสและการเป็นอยู่กับปากท้องตลอดขอความเมตตาเจ้าคะ่ะกําลังของใจสู้กิเลสมีน้อยคือสติปัญญามีน้อย ต้องมันฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่างที่เทศวันนี้ปัญญาก็มันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถ้ามีสองอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะชนะกิเลสได้คําถามจากคุณสมนึกควรพิจารณาอย่างไรให้ถึงการปล่อยวางไม่ให้ยึดเป็นของเราเป็นตัวเราก็าพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งร้องอ๋อขึ้นมาอ๋อไม่เฉ่งกูเนี่ยมันมันก็จะปล่อยเองพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเอง คำถามจากคุณประยงลูกเคยไปใส่บาตรทุกวันแต่ด้วยภาระหน้าที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศแค่คิดว่าจะไม่ได้ใส่บาตรลูกก็เป็นทุกข์เหลือเกินถือว่าการเป็นการยึดติดใช่ไหมเจ้าค่ะก็สามารถใส่บาตรได้อย่างสายบ้านอำเภอนี่ก็มีคนทำกับข้าวรับรับใส่บาตรแทนได้สั่งก็ได้นีโฆษณาให้แม่ค้าเขาหน่อยสงสารง Ừ, ก็ติดต่อเขาได้เขามีเบอร์โทรแล้วก็ต้องการจะใส่บาตรวันไหนก็บอกเขาเขาก็จะใส่แล้วก็จะถ่ายรูปส่งไปให้ดูเป็นเครื่องยืนยันว่าใส่บาตรให้แล้วหรือถ้าถ้าไม่อย่างนั้นก็มีวิธีโอนเงินเข้าเงินบัญชีวัดไปเลยก็ได้โดยตรงก็ได้ไม่ต้องใส่บาตรก็ได้เพราะบางทีอาหารอะไรก็อาจจะมากเกินไปแต่สิ่ง อ, งอื่นที่ขาดก็อาจจะมีค่าน้ํำค่าไฟอย่างนี้อาจจะไม่มีก็ได้ กอ็อนเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆของทางวัดเพราะวัดสมัยนี้ก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างด้วยกันคําำถามจากคุณนัตพลเจ้าที่ในบ้านคือดวงวิญญาณทั่วไปใช่ไหมครับหรือไม่มีเจ้าที่อยู่จริงจะทา บ, บุญอุทิศให้เขาได้ไหมครับก็เป็นความเชื่อเฉยๆไม่มีใครเป็นเจ้า ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยเยวลาเราไปเชื่อเองว่าตรงนี้มีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่แรงเจ้าที่ไม่แรงอะไรไปางต่างก็เป็นเรื่องอุปท า, านไปท่านเลยไม่มีหรอกคาถามจากคุณทรีการที่วางอุเบกขาจากพี่สาววางเฉยเพราะเราพยายามช่วยแล้วแต่ไม่เกิดผลทําถูกต้องไหมเจ้าคะก็ต้องมีเมตตาเหลือไว้บ้าง อุเบกขาแล้วแต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้เมตตาก็ต้องใช้เมตตาในเรื่องอื่นก็ได้เรื่องนี้อาจจะเมตตาเขาไม่รับก็เราเมตตาเรื่องอื่นไปก็ได้ไม่ใช่อุเบกขาว่าไม่สนใจเธอแล้วต่อไปนี้ตัวใครตัวมันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอุเบกขาแต่ก็ยังคอยดูแลก็อยู่คอยช่วยเหลือก็อยู่ถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็ค่อยอุเบกขาไปคําถามจากคุณสครัม ถ้านั่งสมาธิแล้วกลัวผีเราจะควรแก้อย่างไรเจ้าค่ะก็ให้รู้ว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีจริงคือดวงวิญญาณต่างๆของคนที่ตายไปแล้วเขาไม่มาหลอกเราให้เสียเวลาเราไม่ได้อะไรเขาไปรับบุญผลบุญผลบาปของเขาแล้วส่วนที่ที่มาหลอกล้วคือจิตเราคิดปรุงแต่งไปเองพอไปอยู่ที่ไหนเงียบๆเท่าไหรมาแล้วสิดผีนั่นแหละเป็นความคิดของเรา ก็วิธีฆ่าผีแบบนี้ก็ใช้พุทโธท่งพุทโธพุทโธไปพอมีผีมาปั๊บเอาพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอจิตไม่ได้คิดปุงแต่งพุทธคิดแต่พุทโธเดี๋ยวผีก็หายไปเ ร, เรื่องผีอำขอตามต่อเจ้าค่ะอาจารย์เลยข้อสอข้อนั้นก็จะปิดลใะใกละการยังเหมือเวลาแล้ว ขอเปลี่ยนนะเจ้าคะบทสวดพาหุมหากาของหลวงพ่อจารันเคยอ่านบทนำท่านบอกใครที่สวดเป็นประจำลูกหลานจะเป็นคนดีขึ้นหรือเมื่อสมบุญนั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้ลูกๆจะเป็นคนดีขึ้นใช่ไหมคะก็เวลาสวอเราใจเราสงบเราใจเราเย็นพอลูกเห็นเราสงบเราเย็นมีเมตตาเขาก็จะดีตามเราไปแต่ถ้าเราไม่สงบเราเครียดเราระบายอารมณ์ใส่ลูกบ่อยๆ รูปมันก็อาจจะเครียดตามเราก็ได้แล้วอาจจะไปคลายเครียดด้วยการกระทําตัวที่ไม่ดีก็ได้อันนี้มันเป็นผลพอยได้แต่ผลหลักที่จะได้จริงๆก็คือคนสวดคนสวดจะได้ความสงบจะได้สติใจอย่าหายเครียดได้จะตั้งอยู่ในความดีได้ อ, อข้อนหนึ่งนะถ้ายังมอยู่เรื่องผีอำส่งคำถามเพิ่มอีกค่ะ เขาบอกให้รู้เฉยๆแสดงว่าความรู้สึกที่อัดอึดอัดเหมือนโดนทับมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะหนูรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกจะไม่ตายใช่ไหมคะรู้สึกกลัวคะ่ะไม่ชอบอาการนี้หนูจะทํำยังไงให้มันหายได้ไหมคะรบกวนพระอาจารย์เมตตาคะ่ะคือเราไปห้ามมันไม่ได้หรอกมันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันเป็นวิบากของเราก็ได้เมื่อยหร่กันแต่มันไม่สามารถทำรํำลายเราได้ถ้าเรารู้เฉยๆมันเป็นเพียงแต่อาการมาหลอกเราเหมือนผีหลอกทั้งนั้น อย่าไปสนใจรู้แล้วก็รู้เฉยๆปล่อยวางเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราจะตายเราตายมานานแล้วใช่ไหมที่ผ่านมาได้เพราะมันทําำลายเราไม่ได้สิ่งที่ทําเราได้ก็คือความกลัวเราอย่าไปกลัวมันเราอย่าไปอยากให้มันไม่มาเพราะความอยากไม่มามนี่จะทําให้เราทุกข์เราต้องยินดีต้อนรับมึงจะมาเมื่อไหร่ยินดีต้อนรับแล้วเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราห้ามมันไม่ได้เหมือนเราห้ามฝนตกแดดออกไม่ได้น้ําท่วมไม่ได้ ยินดีต้อนรับจะท่วมก็ท่วมจะจะแรงก็แรงแล้วแต่เรื่องของธรรมชาติเราไปห้างขาไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไรโอเคนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ